เพื่อเตรียมความพร้อมที่เราจะเข้าพรรษาถ้าเป็นพระเก่าแล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะรู้เรื่องว่าวิธีการเข้าพรรษานั้นท่องอะไรสวดอะไรแต่พระใหม่ก็ควรจะเรียนรู้เพราะการเข้า พ, าพรรษาพอถึงวันแล้วก็ทำไม่ถูกก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะไวินัยมันไม่ใช่ของ ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของหยวนกันได้เป็นของที่ทุกคนทุกองค์พระทุกองค์จะต้องประพฤติปฏิบัติไม่ใช่องค์อื่นปฏิบัติแต่แล้วก็จบไปไม่ใช่มันต้องทุกองค์ต้องแสดงออกถ้าว่าเข้าพรรษาเราจะไม่พูด เ, เลยให้องค์อื่นพูดทั้งที่เราจะเข้าพรรษาอยู่ก็ไม่น่าจะถูกต้องมันไม่ถูกผิดวินยัย วิธีแสดงวิธีแสดงอวบัิก็เหมือนกันเราไม่แสดงเลยก็มาลงอุโบสถพร้อมกับหมู่ก็ไม่ได้มันต้องแสดงอวบัิให้ถูกต้องพูดให้ถูกต้องจึงจะมาลงอุโบสถได้ถ้าเราไม่แสดงอวบัิก่อนก็ลงอุโบสถไม่ได้ไม่ให้ลงมันเป็นขั้นตอนวารานการที่จะที่จะทำความเข้าใจซะก่อนก่อนที่ทจะ ถึงวันเข้าพรรษาหรือวันอุโบสถข้างหน้านี่ยมันก็ยังไม่กี่วันวันพุ่งนี้ก็เป็นวันโป่งแบบเป็นวันปงผมแล้วเป็นวันโกนวันพุ่งนี้นะแต่สำหรับพระใหม่พุ่งพุ่งผมป ง, ป ง, ปงผมเสร็จใหม่ก็ไม่นะไม่น่าจะป่งก็ได้ก็สุดแท้แต่นะจะป่งก็ได้ไม่ป่งก็ได้เพราะว่าในพระพินัยของพระน่ อย่าไว้ผมยาวเกินกว่าสององคุรีสององคุรีก็คือสองอข้อสองข้อนิ้วมือสององคุรีก็คือสองข้อนิ้วมือไม่ยาวไม่ให้ยาวเกินสองข้อมือถ้าเกินกว่านั้นไปแล้วต้องปรงผมถึงจะไม่ถึงเดือนหนึ่งก็ต้องปรงผมแต่ถ้าว่าไม่ยาวเกินสององคุรี ถึงเป็นปีก็ไม่ต้องปมปงผมก็ได้อย่างคนไม่มีผมเนี่ยแหละไม่ต้องปงแต่ถ้ามันเส้นไหนไมันยาวกว่าตบปงออกทากว่า2 อ, องค์คุลีนะคือสองข้อมือนะสามารถที่จะหวีแต่งผมให้เป็นลักษณะใดก็ไ ด, เได้เพราะนั้นพระวินัยจึงมีจํากัดว่าห้ามภิกษุไว้ผมยาวเกินกว่าสององคุลีคือสองข้อมือ แล้วก็ห้ามไม่ให้ไว้หนวดไว้เขา่าปิกสูใดไว้หนวดไว้เขา่าปรับอบัติทุกกฎไว้เล็บไว้เล็บยาวปรับอบัติทุกกฎมีหลายอย่างในเกี่ยวกับวินัยอันนี้คือวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วินัยของผู้หนึ่งผู้ใดที่ท่านบัญญัติไว้แล้วคือตายตัวไปแล้วเหมือนกับกฎหมายลักษณะนั้นอ่ะตราออกมาเป็นออกมาทางกิจญาณุเบกษาแล้วก็ทุกทุกคนต้องปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ถ้าว่าไม่ผิดกฎหมายก็ไม่เป็นไรถ้าผิดกฎหมายก็แปลว่าผิดกฎหมายต้องลงโทษมากน้อยตามโทสานุโทษอันนี้คือพระวินัยของพระก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราก่อนที่จะเข้าพรรษาก็ควรควรจะทาความเข้าใจกันก่อนที่พวกเราจะเข้าพรรษาเพราะนั้น เรื่องแสดงวิธีแสดงอบัติก็ขอให้พระเก่าออกมาทดสอบดูก่อนนะแต่และองค์ละองค์มากันนั่งให้แสดงอบัติแต่ตามไม่จริงผู้ที่ก่อนที่จะบวชพระในวัดของเราเนี่วิธีการเอสหาหังพันเตอาจารย์ก็ต้องสวดทั้งขอนิสัยของจากอาจารย์ด้วยแล้วก็วิธีการแสดงอบัติด้วยถ้ามีเวลา ควรจะสอนพร้อมๆกันเพราะอันนี้เป็นเป็นวินยัยเป็นวินัยจะต้องจะต้องสอนเพราะนั้นเราต้องสอนนะเป็นให้ท่องไว้ได้เลยก็ได้เป็นวินยัยเราก็ไม่ได้สอนอย่างอื่นถ้าอาธิบายเรื่องวินยัยเอออ น, นั้นเป็นอย่างหนึ่งอันนี้ถึงยังไงก็นักก็ไม่รู้เรื่องวิธีการแสดงอวัตต์เพียงตัว่าทำวิธีกรรมอย่างนี้นะแล้วก็สอนให้ พิธีการแสดงอาบัติอันนี้คือเราควรจะรู้ในการบวชแปลว่าญ้าปากคอกนะควรจะรู้เร็วในการที่เราจะบวชแต่วันนี้ก็เหมือนกันที่หลวงพ่อได้พระมาไปชุมกันในวันนี้ก็เพื่อการเตรียมพร้อมแต่ในพรรษาก็ไม่แน่อีกเหมือนกันนะ ว่ในพรรษาหลวงพ่ออาจจะเรียกประชุมในระหว่างในระหว่างคืออะไรก็คือในช่วง8ดค่ำส15คค่ำเนะ่ยในระหว่างหลวงพ่ออาจจะพระนิมนต์พระมาประชมุมทําความเข้าใจเกี่ยวกับศีลและวินยนวิในของพระแต่ปีนี้หลวงพ่อยังคิดอยู่ว่าต้นเดือนระหว่างวันพระ อาจจะในระหว่างก็ได้อาจจะในระหว่างหลวงพ่ออาจจะให้อ่านน้ำวโกวาทนะวินัยบัญญัติให้กับพราลูกพาหลานทุกคนทุกองค์ในรับรู้รับทราบว่าวินัยบัญญัติไม่ใช่ว่าสวดแต่ปฏิโมกอย่างเดียวสวดปฏิโมกเราก็แปลไม่ได้แต่นี่เราควรจะอ่านวินัยใ ห, ให้พวกพระบวชใหม่ได้เข้าใจว่าความแปลของ พระปฏิโมกนั้นแปลว่าอย่างไรเราควรจะอา่านแต่ถ้าอ่านวันที่สวดปฏิโมกขอกคงไม่ได้หรอเสียเวลานานเราควรจะอ่านในช่วงที่เราไปชมอย่างวันนี้ละต่อไปเราอาจจะให้พระเตรียมเตียมไว้ด้วยนะใครจะเป็นคนอา่านเราท่านเซียงองหนึ่งก็ได้หรือท่านยาก็ได้ท่านหนุ่มก็ได้ให้เตรียมเตรียมไว้สักสามสี่องค์ จนโจก็ได้ไปอ่านเตรียมเตรียมอ่านนะวควาสไปใครจะอ่านช่วงไหนช่วงไหนนะจนถึงเรื่องนั้นเสขขยวัดวัดที่ภิกษุสามเณรจะต้องศึกษาแล้ว น, นะอาจจะในพรรษาเนี่อาจจะให้อ่านทักงสองรอบก็ได้เพื่อให้พวกเราได้ศึกษาเรื่องวิ น, นัยถ้าว่าไม่ได้อ่านให้ฟังบางทีมีหมู่พวกเปื่อนเตือน เราอาจจะมีความคิดอีกอย่างหนึ่งเอาทำไมมาบอกมากราวกันแต่เราเมื่อได้อ่านวินัยแล้วเออเอาใช่ตัวนี้เราทำผิดจริง เ, เราไม่ควรจะทำเพราะว่าเป็นวินัยของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้นี่แหละห ล, ะลวงพ่อเองคงจะให้อ่านนะนวโกวัตให้เป็นพื้นฐานเป็นยาปากคอกศีลและวินัยเบื้องต้น เ, เพื่อจะทำให้ถูกต้อง น แ, นแนวแถวเดียวกันอันะไรก็ขอให้พราเดนทุกองถ้าเรารู้จักกฎระเบียบแล้วมันไม่ยากเลเพราะพระพุทธศาสนากับบัญญัติให้พวกเราเนะี่ยผู้มีศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านอยู่มากมายกันท่านก็อยู่ในศีลในวินยัยท่าว่าพระเราอยู่ไม่มีศีลไม่มีวินยัยไม่มีกฎระเบียบการอยู่ด้วยการกละเละเละทะเทไม่รู้จะทํำยังไง มันไม่อยู่ด้วยกันไม่ยั่งยืนเหมือนกับประเทศที่กฎหมายอ่อนแอลักษณะนะประเทศไหนที่มีกฎหมายอ่อนแอประเทศที่ด้อยพัฒนานะี่ยปวดง่ายๆประเทศที่ด้อยพัฒนาชมุมชนในกลุ่มนั้นของวัดพวหามีอะไรต่างเยอะแยะในชมุมชนกลุ่มนั้นที่ประเทศไหนที่เขาพัฒนาแล้วนะอย่างญี่ปุ่นอย่างนี้นยสิงคโปร์นะ เรื อ, อยุโรปหลายประเทศเขาที่พัฒนาแล้วเขาก็อยู่ในกฎกติกาก ฎ, กฎหมายของเขาเข้มงวดกดขันแต่ประเทศไหนดอยพัฒนากันเข้าไปเราก็ต้องลงรีเวียนระวังไม่รู้อะไรตัวไม่อะไรมาลุมมาตุ่มนี้ก็เหมือนกันพระสงฆ์ที่อยู่ในวิทย์ในอยู่ในชุมชนกลุ่มใดในช่วงใดพระสงฆ์อยู่ในวิัย์ในเราเข้าไปก็ต้อง ร, วงระวังระวังแต่ว่าพระสงฆ์อยู่ในวิทย์ในที่ดี ต่างคนก็อยู่ในกฎอยู่ในกติกาในหลักพระธรรมแล้วมันสบายใจนะเพราะดังเรื่องหลักพระธรรมในของพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ทั้งหลายจะต้องรักษาปฏิบัตินะแต่อันดับแรกผมอยากจะให้พระที่เป็นพระเก่าท่องคือวันเข้าพรรษาพวกเราจะต้องตั้งนโมพร้อมกัน พอตั้งนโมพร้อมกันเสร็จแล้วพวกเราก็อธิษฐานพรรษาพร้อมกันอีกนะพูดเป็นพร้อมกันแต่ถึงยังไงถึงจะพร้อมกันตัวเองไม่พูดก็ไม่ถ่ายไม่ถูกนะต้องเป่งเสียงออกมาพร้อมกันถึงจะมากน้อยก็ต้องมาพูดพร้อมกันพร้อมกันพอเราอธิษฐานพรรษานะไม่ใช่คนอื่นพูดแทนะไม่ได้ต้องเป่งเสียงพร้อมกันทั้งหมดเพราะนั้นเวลา ก่อนที่จะเป่งเสียงนั่นผมจึงจะให้พระเก่าเกล่าวแล้วเป่งเสียงให้พวกเราได้ยินได้ฟังว่าเป่งอย่างไงมันเปีลักษณะวักตอนอย่างไงพวกเราจะได้เข้าใจนะพระเก่าภาพใหม่คงจะจําได้แล้วก็ท่องนะมันมีอยู่ในนั่นนะพระเก่าก็ควรจะ ถ้าองค์ไหนไม่ได้ยังไม่ได้ท่องนะก็ถามภาคเก่าให้ภาคเขาเขียนให้นะมันก็ไม่กี่คำแล้วก็วิธีการแสดงอวบัดก็เหมือนกันนะแล้วก็ทำพิธีการแสดงให้สององค์นั่งแล้ภาคเก่าก็นั่งดูว่าวิธีการแสดงอวบัดทำอย่างไรจับเป็นคู่กันก็ได้นีไม่ใช่ว่าถึงวันแล้วก็ทำอะไร ให้คูบาอาจารย์หมู่พกมั่นคอยเป็นชั่วโมงเพราะทำไม่เป็นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเราพระใหม่พระเก่าต้องสอนพระใหม่ทําพิธีแสดงอวบัดทำยังไงจะเป็นคู่ๆกันแต่คนไหนผ่านอุโบสถไปแล้วก็ไม่เป็นไม่มีปัญหาเพราะรู้แล้วนะแต่องค์ที่ยังไม่รู้นะกคไม่กี่องค์เราก็ต้องสอนกันบอกกล่าวกันะ วันนี้เป็นวันที่หกรกฎาคมพุทธศักราช2560เป็นวันจวนจะเข้าพรรษาปีพศ2560คือก่อนที่จะเข้าหรือว่าก่อนที่จะถึงวันนั้นพวกเราได้มาประชุมกันในคณะสงฆ์ทั้งหมดพระสงฆ์ทั้งหมดวันนี้ทราบว่า50าสิรสัมเนตรหนึ่ง ที่มาไปชมที่จะเตรียมตัวเข้าพรรษาปีนี้นะเพราะนั้นหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของวัดก็จะได้ให้เตรียมความพร้อมสำหรับผ้าลูกผ่าหลานทุกองค์ถ้าว่าเราไม่รพร้อมไม่เตรียมพร้อมคิดว่ามันจะพร้อมแต่มันไม่พร้อมก็ทำให้เสียหายได้ เพราะวินัยที่อย่างหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมันไม่ใช่วินัยของหลวงพ่อเป็นวินัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติแวดไว้แล้วในเมื่อหลวงพ่อเป็นหัวหน้ากระ ท, ทุกองหลวงพ่อก็ต้องชี้จุดไปในจุดเดียวกันว่าต้องทําอย่างนี้นะทุกองต้องเดินไปอย่างนั้นนะต้องทําอย่างนี้นะหลวงพ่อก็เดินไปอย่างนั้นอีกเหมือนกันไม่มีใครตีจบมีอภิสิทธ์ ยกเว้นในหลักธรรมคําสอนในพระวินยัยทุกองค์ต้องประพฤติปฏิบัติต้องกล่าวอย่างไรต้องแสด ง, งอากัปกิริยาอย่างไรอย่างลุงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นแล้วก็พร้อมกันอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ด้วยกันแล้วันนี้ก็เป็นวันที่6วันที่8ดนะเป็นวันอัสารหะบูชาวันที่เจวันพงนี้ก็เป็นวันป่งผม การปองผมก็ต้าว่าพระใหม่ผมยังสั้นอยู่ก็ไม่ต้องปองหรือจะปองก็ได้สุดแท้แต่นะแต่ในพระวินัยของพระพุทธเจ้าจะว่าไม่ให้ผมไม่ให้ผมยาวเกินกว่าสององคุลนะีคือสองข้อมือถ้าเรายังไม่ถึงขนาดนั้นไม่ปองก็ไม่เป็นอาบัตถถ้าว่าปองสองสามวันมันยาวขึ้นมานะก็ต้องปองไม่ถึงเดือนก็ต้องปองอันนี้คือ มันยาวคาว่ายาวาในใคน้นคล้ายๆคาว่าพระวินัยของพระพุทธเจ้าท่านไม่แต่งผมไม่วีบวีผมไม่ให้ตกแต่งเรื่องผมเพราะนั้นสององคุลีนครับมันแต่งไม่ได้และมันยังสั้นอยู่ น, ะนี่แหละตามในพระวินยัยแต่ถึงยังไงเขให้พวกเราทุกท่านนั่นน ะ, ะช่วงนี้เป็นช่วงเต็มทนละเมื่อปลงผม วันที่เจ็ดวันที่แปดก็เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระใหญ่เป็นวันเตรียมพร้อมศรัทธาญาติโยมก็มาทำบุญมากนะวันวันที่แปดนะตีวันที่8ดศรัทธาญาติโยมจะมาทำบุญวันที่เก้าแปลว่าชดโ t ม o ศรัทธาญาติโยมมีน้อยเลยทีเเป็นวันเข้าพรรษาของพระสงฆ์แต่วันงานของเขาตักบาตรทำบุญ มาทําบุญตักบาตรกันนะมาวันที่8ดนั่นเป็นวันอัสารหะปูชชาแต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเป็นวันเข้าพรรษาแต่ตามไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่วันเข้าพรรษาเป็นวันอัสารหะแต่วันเข้าพรรษาจริงคือวันที่9กที่เป็นอธิษฐานพรรษาของพระสงฆ์อ่าแต่สถาญาติโยมเขามาทําวันที่8ปดเขาก็กลับไปล่ะในวันที่เก้าพวกเราก็เป็นวันทําพิธีแล้วไงวันที่8ดเป็นวันอัสารหะ เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนในเมื่อทําได้สำเร็จตัดรู้ท่านก็ได้เสวยวิมุตติสุขในระแวกที่ท่านได้ตัดรู้เนี่ยะแวกต้นโพนะท่านไปประทับที่ต้นนิโคดคือต้นไซต้นเกศสะมุจลิน และที่ไหนที่ต้นโพจากนั้นก็ได้สวยวิมุตติสุขที่ละเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันจากนั้นพระองค์ก็ได้เดินทางไปโปรดปันจวคีทั้งห้าที่เมืองพารานสีพอไปถึงนี่นพระองค์ก็ได้แสดงธรรมจจักกปวตนสูตรธรรมะและก็นัตตลกนะสูตร ปัญจวคีทั้งห้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์ทั้งหมดทั้งห้ารูปแปลว่าพระพุทธเจ้พพาพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกในวันอัสสรหบูชานี่แหละให้พวกเราทุกๆท่านนะจากทั้นพระองค์ก็เนี่ยเป็นถือว่าเป็นวันสำคัญต่อไปพระองค์ก็ได้ไปโปรด พกฉดินสามพี่น้องท่านกเทศอนิตะปริยายะสูตรจุดนั้นอีกนี่แหละท่านก็โปรดไปเรื่อยเนี่ยนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะแต่ที่นี้มาพูดเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาสำหรับพวกเราในพรรษานี้นะแต่ว่าก็แปลกแตกต่างกว่าวันธรรมดา คือวันธรรมดาเนี่ยเราจะรับอาหารที่ส่งตามมาอย่างพวกเรารับอาหารเนี่ยแหละแต่ในพรรษาเนี่องหลวงตามหาบัวที่ผมได้ศึกษามาเป็นสิบกว่าปีอยู่กับท่านตลอดถึงท่านจนถึงมรณภาพองค์ตาจุติเนธพานท่านคนยังรักษาอยู่อยากให้พระรักษาอยู่คือรับบิณฑบาตข้างนอก พอเข้ามาในวัดแล้วฉันจะไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังอันนี้คือเรารับบิณฑบาตในอบตั้งแต่วันที่วันที่หนึ่งวันทะี่วันที่เก้านะวันที่เก้นะกเราจะรับบิณฑบาตนอกวัดแล้วนะแต่ว่าเป็นการเตรียมพร้อมนะเรายังไม่ถือธูดงนะเป็นการเป็นการคล้ายๆประเดิมหรือเตรียมพร้อม นี่แหละวิธีการที่จะเท่าพรรษาตรงตรงับหมัดบินทบาทอย่างนี้นะแต่อาหารที่ใส่ในบาตรเราไม่ต้องขนออกหมดเหมือนเหมือ น, นเราวันธรรมดาเราจะอาจจะเอาอาหารที่เราถูกสัปปายะสำหรับอาหารประเภทไหนเราก็าไว้ที่บาตรไม่ต้องขนออกไม่ต้องขนออกจากบาตรเราอาหารไหนที่เราจะฉันได้เราก็เตรียมใส่เอาไว้ในบาตรของเราอันไหนที่เราไม่ ไม่ต้องการชันเราก็เอาออกหยิบออกเราเป็นคนหยิบเองก็ได้นะแล้วก็อาหารอะไรที่จะเป็นใส่บาตแล้วก็ขนใส่สาบาตของเราเต็มบาตรหนึ่งกับมนาจะอิมแล้วนะทั้งข้าวทั้งอาหารแต่วันที่เก้าเนะี่ยให้เขาว่าเราจะจะทดสอบนะแต่ว่าผู้ที่รับบาตรจะใส่กันไม่ได้ องที่รับบาตรคือรับของใครของเราถ้าว่าโยมมารับของหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นของหลวงพ่อเข้ามามากแล้วก็เป็นของหลวงพ่อแต่รับองค์ที่สองไปก็เหมือนกันถ้าใส่ผสมกันแปลว่าถาดนะไรใช้เวลาเอาเข้ามาแล้วก็ชันไม่ได้ละเพราะว่ามันจะต้องอยู่ในบาตรเท่านั้นถ้าอาอกหยุดมันผสมกันกับแปลว่าอาหารผสมกันอันนี้ก็คืออาหารที่ตามส่งมาภายหลัง เราจะไม่รับเพราะนนในพวกเราเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจพระใหม่ไอ้พวกกูบาเก่าก็ต้องแนะนำํำตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอาจจะพระใหม่พระใหม่อาจจะไม่เคยไอ้พวกเป็นพระเก่าก็บอกนะแนะนําแต่ถึงยังไงจะให้คนรับทั้งหมดตั้งห้สคนแต่ละวันคงเป็นไปไม่ได้แต่ถึงยังไงก็เถิดอาหารที่ส่งออกไปจบออกจากบาทเราแล้วเราไม่ ไม่ไม่ต้องการลนะต้องส่งตร ง, ตรงออกไปเลยของที่จะใส่ในบาทแล้วก็เก็บเก็บไว้ในฝาบาทและในใส่บาทและในฝาบาทของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลวงพ่อพูดน่นก็คือพระปลายแถวนะ่ะอย่างที่หัวแถวก็คงจะมีคนรับบาทแต่ปลายแถวอาจจะไม่มีคนรับบาทพวกเราต้องช่วยตนเองนะอาหารใส่ในบาทบาทของเราก็เพียงน่าจะเพียงพอนะนีะ่แหละใส่บาทของเราค เข้ามาแล้วเราจัดอาหารเองเลยเลยไม่ต้องรอใครไม่ต้องแจกอาหารเราจับการฉันอะไรก็ใส่ใส่ใสาไปในลงในบาตของเราอาหารพวกอาหารหวานขาวแล้วก็ใส่ในบาตรแต่ว่าใครจะอดอาหารกระสุดแท้แต่นะใครจะฉันมากฉันน้อยยังไงก็สุดแทแนะแต่ตามไม่จริงในสมัยผมถูกกับหลวงปู่ลาหลวงปู่ลาท่านบอกว่า เราเคยนะเราเคยปฏิบัติกับตนเองอทั้งหวานทั้งเขาเราเทลงไปแล้วคนใส่กันเลยอแต่มันอยู่ในท้องมันก็อย่างเก่าแล้วนะมันก็หยุดเหมือนกันมันคนเข้าไปแล้วเกี้ยวเกี้ยวเข้าไปมัน็ผสมปนสารในท้องเราจะพิถีพิถันอะไรอยู่ในบาตอันนี้ผมก็ทดลองอีกเหมือนกันนะหลวงปู่ลาท่านแนะนําผมเป็นเนรยุพูจบก้อน่ะพอเสร็จแล้วผมก็คนคนใส่กัน อาหารทั้งหวานทั้งข้าวทั้งอะไรผมก็ฉันเลยมันก็ไม่มีอะไรมันก็มันก็อร่อยอย่างเก่าเพราะมันหิวใช่ไหมมันหิวผ้านน้อยผ่านหนุ่มใช่ไหมพอฉันแล้วผมก็ยังระลึกได้ทุกทางกระทั่งทุกวันนี่นะเอฉันเข้าไปเหมือนกันอาหารของเราไม่ใช่วัดอาหารอย่างดีอาหารไม่ดีเออาหารท้องขอเราปฏิเสธไม่ใช่มันรับทั้งหมดพอทานเข้าไปแล้วมันก็เป็นอาหารออกมาอย่างเก่ามันก็ไม่เห็น พิถีพิถันมีแต่เราท่านเองแยกแยกให้มันเป็นอย่างนู้นให้มันเป็นอย่างนี้ก็เลยทุกอาหารประเภทนี้ช้อนอย่างนี้เข้ากับอาหารประเภทนั้นไม่ได้อาหารประเภทนี้เอาเข้ากับอาหารประเภทนี้ไม่ได้แต่มันรวมเข้าไปในท้องเราไม่เห็นว่ามันแยกอะไรใช่ไหมนี่แหละอันนี้หลวงปูล่ลาท่านดอกบอกกล่าวหลวงพ่อนะ่ะหลวงพ่อกนะ็ะอปฏิบัติตามท่านสามเดือนนะหลวงพ่อทํำดู มันก็จบได้นะอันนี้ก็คือมันเล่าให้ลูกให้หลานได้ฟังเพราะฉนั้นเราอย่าไปพิธีพิถันอะไรเรื่องอาหารเป็นเราเป็นนักพรตนักบวชนะเราจะทานมากน้อยแค่ไหนเราก็เอาอาหารไว้ตามสมมาสมควรนะอย่าเป็นโลภอย่าเป็นโลภโลเลในอาหารนะการตะกะในอาหารการโลภในอาหารไม่ใช่นักพรตนักบวชนะนะกินพิธีพิถันกินอะไรก็อย่างเก่านะั่นแหละกินเข้าไปก็เป็นอุจจาระอย่างเก่านะ เพราะนั้นให้พกพระลกูกพระหลานนะแต่อาหารเราไม่ได้ห่วง เ, เราไม่ห่วงว่าอาหารจะไม่มีเผื่อๆมันจะท่วมทน้นพระรุนละแต่ถึงยังไงก็ตามอย่าไปทะเลาะวิวาทกันเรื่องอ ย, อยู่เรื่องกินนะถ้าว่าการทะเลาะวิวาทมีทะเลาะวิวาท ก, กันกับเรื่องอยูเอ่เรื่องกินมันเน็ดใสหม า, าครูบาอาจารย์พระธรรมฐานทวายอย่างนั้นนะแย่งกันกิ น, กนหมานะพอเห็น ขนาดอาหารตัวเองมากๆพอตัวอื่นจะมาแจ้งไก่แห่เนีย่ยแหละพระกรรมฐานเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะเราจงเป็นผู้ดมักน้อยฉันดไม่ฉันเลยก็ยังได้ให้องค์อื่นชันไปเลยเราไม่ฉันก็ยังได้เอาอดทั้งห้าวันเี็ดวันเป็นไรไปใเพราะนั้นจะไปถือเป็นเรื่องสำคัญในการอยู่การกินเราพร้อมที่จะ อดทั้งอดทั้งอิ่มด้วยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเรื่องอาหารอสมัยก่อนเน่ยเรื่องอาหารพระสง์พรเศียไม่มีหรอกหลวงพ่อในชั้นๆแล้วก็จบๆไปเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ได้บอกว่าเอออาหารดีๆอาหารที่ไม่ดีอาหารนี่อร่อยอาหารนี่ไม่อร่อยหลวงพ่อจะไม่อาหารประเภทไหนถ้ามันอร่อยก็ฉันทำไมไม่อร่อยก็ออกฮะ วันนี้มันฉันวันนี้แหละวันพุ่งนี้มันมีอีกอยู่เออวันนี้มันอร่อยเอาฉันหมากก็หน่อยทามันฉันไม่อร่อยก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องฉันเพอพอร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะชอบอาหารอร่อยถ้ากินอาหารอร่อยทุกวันเนี่ยผลที่สุดอ้วนท้นจมบูนขึ้นมาไขมันในเมดเลือดก็มากขึ้นมาเช่นเลือดแตกต่างหากเพราะว่าเพราะว่า ไตคิสลายขอรแรซฉลอนมันขึ้นนะมันก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะพอประมาณร่างกายไม่ใช่ว่าเรามันต้องการอะไรมากมายแต่เรานั่นไปส่งเสริมพันเข้ามันเข้ามันก็เลยเป็นทุกข์ใจในสิ่งเหล่านี้ถ้าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวพวกเราก็อาจจะถือว่าเรื่องูรูรเื่องอยู่เรื่องกิน เ, เป็น เรื่องสำคัญอย่างมากแต่ตามจริงพระกรรมฐานไม่แล้วไม่ให้ความสำคัญหลวงพ่ออยู่องค์หลวงตามหาบุญอาหารตอนเช้าเนี่ยไม่มีหรอกมีแตย ม, มันดาของท่านแก่อายุหกสิบเจ็ดสิบหลวงตาก็หกสิบกว่าโยมบรรดากัเจ็ดสิบแปดสิบใช่ไหท่านทำอาหารมีอะไรแต่ตามมีตามเกิดเราก็นั้นไม่มีอะไรเราไม่ได้ถือว่าสำคัญเรื่องอาหาร เรื่องสำคัญก็คือวัดวาศาสนาครูบาอาจารย์เท่านั้นเป็นผู้พานาประพฤติปฏิบัติแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้รู้จักศีลรู้จักธรรมรู้จักธรรมวิัยเรามีจุดมุ่งหวั่มุ่งหวังอะไรเราไมีจุดมุ่งมั่นอะไรเรามีจุดประสงค์อะไรที่เราก็มาบวชในคราวนี้คราวนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเรื่องอาหารนะถ้าเราไปมัวเมวาแต่เรื่องอาหาระจะบวชทําไมอยู่คารวาสมีอาหารประเภทไหนเราสั่งมา ปฏิบอยนทานได้ด้านเราเขมาบวชแล้วอย่าไปอย่าไปคิดเราอยู่อย่างพรากมีของดีกว่าฉันของดีถ้ามีของเลวกว่าฉันของเลวถ้าไม่มีก็ไม่ต้องฉันวันนั้นเราทำทำอย่างนั้นคือนี่ชีวิตของนักพรตนักบวชต้องเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือการฉันนะแล้วก็การรับบิณฑบาตการบิณฑบาตใครจะไปสายไหน ก็ให้เตรียมบอกกล่าวกันนะบอกบอกกันให้ไปทุกสายนั่นแนหะเพราะชาวบ้านเขาก็รอคอยใส่บาตรพอมาเสร็จแล้วก็มารอยืนคอยกันที่เหมือนกับพวกเราเคยปฏิบัตินั่นแหละก็จะให้ห่างกันเกินไปผู้ไปก่อนกลับมา ก, ก่อนกนยืนคอยนานนานเกินไปต้องเฉลีย่ยเฉลี่ยกันตรงดูสายของหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็จะออกให้ได้มาตรฐานนะ กลับมาเวลาเท่าไหร่พวกดูกันดูนาฬิกาเออท่านหลวงพ่อมาสายเราเราก็ขยับสายสักน้อยให้มันได้สายที่หลวงพ่อออกไปถ้าอยงนั้นมันคอยนานเกินไปนีให้พวกเราทุกทุกท่านนะดูสังเกตยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวการอยู่ด้วยกันมากหลวงพ่อกับอดวิตกกังวลไม่ได้เหมือนกันแต่ถึงยังไงพวกเราได้รับการศึกษาดีทุกท่าน หลวงพ่อก็มั่นใจว่าพวกเราคงจะมีสีรายจารวัตสัมมาคารวะศีลธรรมคุณธรรมศีลธรรมจเจริยธรรมในตัวของพวกเรานะแต่อย่าให้กิเลสออกมานอกออกหน้าออกตาออกมาเพ่นพ่านนะนการอยู่ด้วยกันอย่าไปหยอกอย่าไปล้อกันถ้าไปหยอกไปล้อกันไปพูดเล่นให้กันหรือแสดงอากัปกิริยา ไม่ดีต่อกันเป็นการดูถูกเย้ยหยันกันไม่ถูกไม่ใช่เรื่องของพระอันนี้พวกเราต้องสมรวมระวังให้ระวังให้มากอีกต่างากการอยู่ด้วยกันให้เหมือนถือเสมือนว่าเราอยู่ด้วยกันเหมือนพี่พี่น้องๆ เ, เหมือนเหมือนอวัยวะเดียวกันการอยู่ด้วยกันเอาเถอะเมื่อเราอยู่กี่เดือนถ้าเราจะลาสิขาไปอเราก็จะเรียกหากัน ช่วยเหลือกันได้พอเราอยู่ในสถาปันเดียวกันออกจากวัดหลวงพ่อหลวงพ่อแนะนาสั่งสอนบอกกล่าวคนหนึ่งอยู่เหนือคนหนึ่งอยู่ใต้ตะวันออกตะวันตกเวลาเราไปก็พึ่งพาอาศัยกันนี่นะถ้าว่าเป็นมิตรเป็นสายกันไว้ดีกว่าดีกว่าเป็นอริศัตรูกันะถ้ามาอยู่กรบมู่ก็คว้างหมู่พอ อ, อกศึกออกไปแล้วก็หาหมู่หาเพื่อนไม่ได้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะนั่นให้พวกเราเป็นครูบาก็เหมือนกันถ้าไปอยู่เป็นคอเป็นลูกพี่ท้าเราพกน้อน้องๆแล้วว่าพกศรัทธาญาติโยมศึกออกไปไปหน้าที่การงานเราเป็นครูบาเอเราไปอยู่สถ า, า, านที่สถานที่ใดอยู่ใกล้แล้วก็เรียกหาใช้เอยทิศได้อยู่ไหนเดี๋ยวเนี้งั้นลงครูบามาที่นั่นที่นี่แล้วนะอะบางทีครูบาไม่สบายนะ มาหาครูบาหน่อยนะเราก็เรียกหาทายเพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นพักเป็นพวกเป็นหมู่เป็นเพื่อนอพวกเราก็เหมือนกันเดี๋ยวในีครูบาอยู่ไหนอยู่วัดไหนอยู่วัดนั้นวันนี้เออผมจะไปไปหาวัดครูบานะผม อ, อลถเสียนะผมไม่สบายครูบาจะช่วยผมได้มไหมครูบาโอ้ได้อาจารย์โยมมีเอาไปไปไ ป, ไปช่วยเขานะ อ, อทิตศที่เคยอยู่ด้วยกัน มันล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเราเรารู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์นะไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันกวางกันทะเละวิวาทกัน เ, เมื่อออกไปแล้วกันนะไม่เผาผีจีกระดูกกันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกศิษย์หลวงพ่ออินนะอหลวงพ่อไม่เคยเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อให้กว้างขวางเปิดใจให้กว้างต่อมูต่อเพื่อนต่อคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมีอะไรหลวงพ่อจะได้ช่วยดูแลอ ว่าจะช่วยได้มากน้อยอย่างไรแค่ไหนจนสุดความสามารถทำหมดความสามารถจะทํายังไงได้นะแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็สุดวิสัยเราก็จะต้องทำใจล่ะโอ้ยครูบาอาจารย์หลวงพ่อช่วยไม่ได้แล้วลูกหลานเอ้เพราะมันสุดวิสัยของหลวงพ่อน่หลวงพ่อก็จะได้บอกอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้น้อยให้พระลูกพระหลาน ทุกองนะอยู่ด้วยกันดูด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีนะถ้ามีอะไรมีรุ่นพี่รุ่นน้องทําไม่สบายเรื่องอะไรก็บอกบอกรุ่นพี่นะถ้ามไม่บอกกล้าบอกหลวงพอ่อบอกรุ่นพี่อะไรหลวงพ่อเป็นผู้ฟังอยู่แล้วรับพวกเราท่านทั้งหลายทั้งห้าสี่องคนะเหมือนอวัยวะของหลวงพ่อนะหลวงพ่อให้ความเมตตาทุกองนะมีอะไรเจ็บใครได้ป่วยอะไร บอกมาอย่างเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อทราบข่าวก็าได้สั่งบอกกล่าวเอาไว้เหมือนกันเออเวลาหลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่ออยู่ก็ตามนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไข้ไม่สบายก็บอกกันหน้าแต่เมื่อกี้หนึ่งบอกว่าหน้าจะตุบวดเนี่ยวันที่หกที่เจ็ดเนี่ยวันวันนี้ทําวันวันที่วันที่หกน่ยหลวงพ่อวันถาหลวงพ่อกลับมาระบวชก็ได้นะวันที่หกแล้วันที่เจ็ดบวชเข้าพรรษา พอกลับมาพระท่า น, นก็รายงานว่าท่านหนักปวดท้องนะเราก็บินมาจากออสเตร เ, เลียนะจะมาบวชพ่อแม่อยู่กรุงเทพพอปวดท้องพระสงศ์สงสัยเป็นไส้ติ่งนะี่ยก็ยังดีนะอพอสงสัยก็ไปตรวจกับใช่เป็นไส้ติ่งจริงๆจากนั้นก็เอาไปผ่าที่อุดร น, นะนะนั่นแหละอันนี้ก็ญาติพี่น้องเขามารับไปแล้วละ่ะก็ว่าจากักสองสามอาทิตย์จะเข้ามาบวช เขาพอแพ้หาจะเขามาบวชอนะีกเนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ด้วยกันถ้อยทีอ้อถ้อยอาศัยกันสังเกตซึ่งกันและกัน่แต่ถ้าเราอยู่ป่าลอนะไรอย่าง ก, กุฏิอย่างเนี้อยอยู่กุฏิป่าเนะี่ยเราจะทํำยังไงหลวงพ่อก็บอกแนะนําบอกว่าเวลาเจ็บไข้เดรป่วยกลางค่าคืนหรือมีตะขาบแมลงป่องตอยอย่างเนี้ยออะไรก็ตามที่เจ็บป่วย เราไม่ต้องเดินมาหาหมู่พอกลางคืนเนี่ยเราเตรียมค้อนไว้เตรียมก้อนหินไว้เออเดี๋ยวบอกอะไรก็ได้เคาะฝาเลยนะเอเรามาตีฝาแล้วตีพื้นเ่ยเอาไม้เนี่ยตีพื้นน่ะปังปังปังปังปังปังปังปังเอ่อเคาะเสร็จแล้วก็ค่อยๆดูไม่เห็นใครมาเตกปังปังปังผู้ที่อยู่ไกล พอได้ยินเสียงนะต้องรีบมาโอโ้คงมีปัญหาอะไรนะอันนี้คือบอกให้ทําความเข้าใจกันว่ว้อั น, นี่คือพึ่งพาอาศัยกันนะพอเคาะเสร็จแล้วนะครัพวกนี้ก็ไปไปถามเป็นไรไม่อะไรเขโอ้ยผมปวดท้องมากครับอองค์นี้ก็เสียจแล้วกับองค์นี้ถ้าว่ามีใคร ต, ตัวเองไปเห็นก่อนก็วิ่งไปบอกองค์ไกลๆไปไปไป้ไปเฝ้าองค์นั้นอะไปเฝ้าองพระปวดท้องหมูเปื่อนเปืดปดป ท้องององคนี้ก็ต้องวิ่งมาที่ศาลานะเดินอ้าวมาที่ศาลานะผู้ที่ศาลาก็ไดนะ้จะสั่งรถอะไรเข้ามาหรือไปขึ้นไปบอกหลวงพ่อก็ได้หรือจะสั่งรถเข้ามาก็ได้รถเข้ามารับนะไปโรงพยาบาลนะี่แหละวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะพวกเราพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยแหละถึงเราจะอยู่ห่างกติห่างไกลกันแต่ก็พร้อมกันก็เคาะไม้ แต่ถ้าไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นหรือไม่ควรจะเคาะไม้เลยถ้าค่ามาแล้วตั้งแต่ออตอนหกโมงห้าโมงหกโมงไปแล้วถึงจะทํางานถึงจะตีะปูอะไรก็ตามอย่าไปเคาะไม้กลางคืนนะแปลว่าเราให้สัญญาณกันแปลว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราต้องให้สัญญาณกันต้องไปที่รับรู้กันนะถ้าจะเคาะไม้เวลาไหนก็เคาะเวลาจะทําอะไรก็ทําผลในสุดหมูได้ยินเข้าไปเป็นไร ผมเคาะไม้ตีตะปูครับจะห้อยของอมา เ, อเท่านั้นแหละต่อไปเวลาเรามีเรื่องจริงจังกันขึ้นมานะเคาะไม้หมูก็เฉยทนี่ยโอย้มันเคยเคาะไม้มาพอแรงแล้วละนะ่ะนี่แหละสิ่งเหล่านีนะ้เหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะอย่างที่ว่านะ่ะอพอเห็นอคิดสนุกขึ้นมากับบอกนะวิ่งไปหาหมูเล็กเอหมาป่ากัดไล่แกะบอกประ ก, กาศ พอคนลุ่มไปผู้ใหญ่ลุ่มไปพอไปเห็นที่ไหนได้หัวล้อแแฮแฮผมล้อเล่นเฉยๆหรอกนะพอผลที่สุดพอหมาปาไล่แกะจริงๆวิ่งไปหาเขาเขาก็เฉยเอ๊ยเมื่อกี้โกหกอย่างเก่านั่นแหละนั่นแหละสิ่งเหล่านี้พวกเราที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังนี่นะใ ห, ให้เป็นอุตสาหนแนละ้วก็เป็นแนวความคิด สําหรับพวกเราทุกท่านที่อยู่ด้วยกันหลักอย่างค่ํากลางคืนเวลาเจ็บป่วยเป็นยังไงมันก็เคยมีเพราะนั้นให้ปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพวกเรามันถูกห่างกันก็จริงอยู่มันก็ได้ยินเสียงกันอยู่พอกลางคืนเนี่ยมันเงียบเงียบสกัดกันนี่แนะขนาดไปไม้หลดยังได้ยินหายใจตัวเองยังได้ยินฟอรดแฟดฟอดแฟดพรมันสงบ มันเงียบนะแต่ทั้งยังไงก็ตามหลวงพ่อบอกได้เลยว่าอย่า ก, กลัวนะไม่มีอะไรไม่มีสิ่งที่จะทําให้กลัวมีแต่กลัวงูบ้างกลัวแมลงป่องบ้างเราต้องมีไฟฉายไปที่ไหนต้องมีไฟฉายนะแต่ตามไม่จริงพระต้องมีไฟสายสองก็บอกกวดีไฟฉายเรามีอยู่แต่ต้องพิธีพิถนะันเรื่องไฟนะพอฉายไฟเ ป, ปิดบังที่อาจจะหมดครึ่งทางแล้วหัวเทียนไฟสายขาด เา้าทํำยังไงเราต้องตะโก น, นเลยคุบ้าอยู่แถวนี้อยู่ภผมผมผมเดินไปทางไม่ได้มันมืด<笑><笑>พวกคุบาทั้งหลายก็ต้องวิ่งออกมาเอไปอยังไงไฟหวัวไฟผมขาถ้ามันหมดทานนะแต่จะไปเดินต่อนะ่ะเดินตุ่มชนต้นไม้ต้นไร่ไปไม่รู้เดินไปที่ไหนพวกกลางคืนเอวัดของเรามันมืดจริงจริงนะ หลับตาก็ลืมตามันเท่าๆกันนะผมหลวงพอ่อทดลองดูเลยนะเพราะมันป่าดงมันเมื่อจริงๆแสงดาวแสงเดือนไม่ส่องไม่ถึงเลยถ้าเป็นเสียงเดือนเออพอไหวแต่เป็นแสงดาวไม่แหลอะหลับตาก็ลืมตาเนี่เท่ากันเลยเนี่ยนะวิธีการวิธีการในการอยู่ด้วยกันนะอต้องพึ่งพาอาศัยกันถอยเทียถอยอาศัยกันเพราะพวกเราอยู่ในป่าอาออกจากพ่อจากแม่มาแล้วะมันต้องพึ่งพาอาศัยหมูพวกเพื่อนนี่ย เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจังพติสาทธระท่านป่วยเป็นโรคผิวหนังที่แรกก็เป็นเท่ามเมล็ดผืนมเม็ดเมล็ดงาเป็นผืนต่อมาก็เป็นมเมล็ดใหญ่เมล็ดข้าวโพดต่อมาเป็นมเมล็ดพุทาเป็นหมักทันเรานะต่อมาเป็นมเมล็ดเท่าลูกตาลแตกเท่พอแตกเข้าไปมันเละขาหากันไม่มีใครเข้าใกล้มันเหม็น่ เพราะไม่มีไม่มีพระแต่ก็ไม่มีชื่อเสียงอีต่างหากเป็นพระลูกวัดนะในวัดป่าเชตตะวันนะพระพุทธเจ้าเห็นโออติดสระนี่เป็นโรคร้ายแรงนะคงจะไม่ไหวะนะัลนเอราะพระพุทธองค์ก็ออกไปอะไรอ่เงี้ยพอตอนใกล้สว่างพุทธองค์นั่งสมาธินะี่อพระติดสระเนี่ยเข้าไปในข่ายคือพยานคืนอเขาในเข้าไปใน ฌานสมาธิของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าออกพอสว่างวันเป็นวันใหม่ฉันบิณฑบาตเสร็จแล้วนะท่านก็พาพระอานุ์ไปพระอานุ์ไปเดินรอบวัดนแต่จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านะคือนะจะไปที่กุฏิของท่านติสานี่แหละที่ป่วยหนักนพอเดินไปก็ผ่านไปติสาก็นอนอยู่ตามลำพังพอมันมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมพอผิวหนังมันแตกมันขาวไปหมดเหม็นไปหมด ไม่มีใครเข้าไปใกล้เลยอผลเป็นไงติดสระพข้าพระองค์ไม่สบายพระเจ้าข่าเนี่ยเขาไม่มีใครดูแลเลยไม่มีข้าพระเจ้าข่าเพราะข้าพระองค์ไม่มีอัติเลกราบไม่มีใครรู้จักพระเจ้าข่าอ๋อไปอานนท์ไปต้มน้ําน่ะผลนะพระองค์ให้พระอานนท์ไปต้มน้ํำพอต้มน้ําอุ่นๆขึ้นมาแล้วก็ันพอพระองค์ก็เอากระบวยตักกลาด พระนนเป็นคนส่งน้ําให้พระติดสะที่ป่วยนะล้างชำระจากนั้นกับพระสงฆ์ก็คงจะมาลงมาตุ้มกันมามาก็เอาผ้าจีวรเขาตัดไปชักต้มน้ําขึ้นมาอีกซักแล้วไปตากแดดให้แห้งอจากนั้นก็เสร็จแล้วก็คงอาบน้ําให้เสร็จเอาผ้าแห้งแห้งมาพันรอบเอเสร็จแล้วก็ ให้ท่านนอนสบายเีนี่ท่านก็สบายเลยแต่ตัวก้อมันเปื่อนเปิดแล้วเธอไปหมดมันฝีแตกว่าพอจากนั้นท่านล้างแล้วท่านก็สบายแลย้วไงพอสบายขึ้นมาพระองค์ก็ถามว่าติดสระเธอให้ความสําคัญในในร่างกายเป็นไฉไรเนี่อปฏิสระเขาบอกว่าร่างกายจะนี้เป็นของตัวตนใช่ไหมถ้าเป็นของเราเราบอกได้ไหมว่าอยากแก่อยากยาเจ็บนะ อย่าตายเนะี่ยเธอบอกได้ไหมไม่ได้พระเจ้าขา่าถ้าไม่ได้ถ้าบอกไม่ได้อย่างนั้นจะเป็นของเราได้ใช่ไหมไม่ได้พระเจ้าขา่านั่นแหละติษะให้เธอพิจารณานะร่างกายสังขารมิใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะมันจะต้องถึงจุดจบของมันแกแล้วก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังจะเป็นของเราได้อย่างไร ให้พิจารณานะปล่อยวางนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะติดสันะพระเจ้าข่านเดี๋ยเอาพักสบายๆนะจากนั้นภาวนานะจากนั้นพระนุนพระพุทธเจ้ากับพระนุนก่อนเดินกลับพระคันทกุฎีจากนั้นท่านติดสาก็ภาวนาปล่อยวางอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นจากนั้นพระองค์ก็ประกาศว่าดูก่อน เรียกประชุมสงฆ์แล้วนะทีนี้อพอเห็นพระภิกษุสงฆ์ป่วยเพราะไม่มีใครปนิบัติดูก่อนสงฆ์ทางหลาย เ, เราไปเห็นติดสะไม่มีพระสงฆ์ดูแลปนิบัติพวกเธอท่านตงหลายออกมาจากพ่อจากแม่จากสกุลต่างๆแล้วมาอยู่ด้วยกันถ้าวว่าพวกเธอท่านต่งหลายไปดูแลกันไม่ให้ความเ อ, อื้อเฟื้อเ อ, อื้ออารีต่อกัน และใครล่ะจะให้ความเอือรื้อเอือเฟือเอืออรีกับพวกเธอพวกเธอต้องดูแลกันนะถ้าว่าไม่ดูแลกันไม่ได้นะการอยู่ด้วยกันเพราะต่างคนต่างเสียสละออกมาจากสกุลห่างจากพ่อจากแม่จากวงศ์สาคณนายาตหมดแล้วแต่พวกเราไม่สนไม่ดูแลกันใครจะเป็นคนดูแลพวกเธอทั้งหลายต้องดูแลกันนะถ้าว่ามีอาจารย์อย่างวงพ่อเนี่ย เวลาลูกศิษย์ทุกองเนี่ยเก็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อต้องไปดูอ่ถ้าว่าตัวเองไม่ดูก็ต้องให้พระอยู่ในวัดไปดูช่วยดูถ้าไม่มีใครดูลุงพ่อเองต้องไปดูต้องทําหน้าที่เพราะเป็นลูกศิษย์อาจารย์โยเมพันเตหัวหีท่านต้องเป็นอาจารย์ของข้าพระเจ้านะหลวงพ่อจะเป็นอาจารย์นะต้องไปดูแต่หลวงพ่อก็ต้องบอกพระเอยไปดูนะถ้าไม่มีใครไปดูลุงพ่อต้องไปดูเองฮนะอันนี้คือหน้าที่นะ ถ้าอาจารย์ไม่ไปดูปรับอบัดทุกกฎท่านปรับอบัตดถ้าว่ามีคนไปดูแทนท่านก็กำชับให้ไปดูดูแลแทนก็เป็นอันว่าหมดไปอันนี่แหละถ้าว่าลูกอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยลูกศิษย์ต้องมาดูมาดูแลถ้าไม่ดูแลปรับอบัดทุกกฎกับลูกศิษย์เองนี่แหละอันนี้คือการอยู่ด้วยกัน ต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้อยทีซ้อยอาศัยกันเพราะเราออกมาจากพ่อจากแม่จากตระกูลต่างๆมาอยู่ด้วยกันแล้วไม่พึ่งพาอาศัยกันไม่ดูแลกันไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าบัญญัติวินยัยองคงพอมองเห็นนแะลอวใช่ถูกต้องนั่นคือพระพุทธเจ้าที่มองไกลนี่แหละจากนั้นพระพุทองค์ก็บอกว่าดู ก, ก่อนสงทั้งหลายและพุทธบริษัททั้งหลาย ถ้าผู้ใดปนิบัติภิกษุไข่ภิกษุผู้มีศีลทรงศีลถ้าภิกษุใดปฏิบัติภิกษุไข่ได้บุญได้กุศลเทียมเท่ากันกับบนปนิบัติพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดจยากปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุไข่อันนี้สงลผลบุญเท่าเทียมกันอันนี้คือท่านพูดในพระไตรปิฎกนะอันนี้ก็ ให้พวกเราท่านทั้งหลายเวลามีปัญหาก็อย่างที่หวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พวกเราดูแลกันท่านเราไม่ดูแลกันก็นอย่างนี่แหละต่างคนต่างอยู่คนทิศคนทางกั น, กนจะหาความร่มเย็นผาสุขจะหาความไว้เนื้อเชื่อใจกันจะให้วาความไว้วางใจกันจะหาความผาสุขในการอยู่ด้วยกันมากน้อยมันไม่ได้นะ เพพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เนีสียงทั้งหลายทั้งปวงเรานี่ยแะขอให้พวกเราทุกๆท่านนะปฏิบัติตามอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วก็พร้อมกันเรื่องการอยู่ด้วยกันอย่าไปพูดจะไปเหาะจะไปแย่กันเล่นการเหาะแย่กันการพูดเล่นกันเหาะแย่แย่งกันเล่นมันที่แรกมันก็สนุกใช่ไหมการอยู่ด้วยกันแต่อยู่ด้วยกันไปการแย่งการพูดกัน ล้อเล่นกัน เ, เราไม่รู้วงเนี่ยมีอารมณ์บูดในวันนั้นนะอมันโมโหอยู่ในใจใครไปทําให้ก็ไม่รู้แต่เนีนเราไปแย่เล่นนะอองค์มึงก็พูดเล่นตามธรรมดาองค์นั้นก็เปื้องป้างขึ้นมาน่ะอารมณ์มันโกรธในใจฮะองค์นี้นก็โมโหตอบพูดเคียงแค่ไหนจะโมโหเลยเราก็ไม่รู้องค์นั้นมันอารมณ์บูดอยู่แล้วใช่ไหมผลในสูดก็เลย ทะเลวีวาดกัน เ, เพอเพ้อยังต่อยมัดต่อยมวยกันไปอีกอไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราเป็นพระนะแต่ถึงยังไงก็ตามตรงพ่อพูดใด้คําเดียวเลียวนะถ้าว่าพระองค์ใดก็ตามอยู่ในวัดของเราในนาคําน้อยของเรา เ, เราจะใช้มาตรการเด็ดขาดนะเหมือนกัหลวงตามหาบัวหลงตามหาบั ว, บวก่อนเข้าพรรสายเนี่ยท่านประชุมนะองค์ใดก็ตามนะถ้าทะเลต่อยตีกันนะองค์ไหนลงมือก่อนองค์ไหนพิด เราจะไล่เนี้จบออกจากวัดเราจะไม่อยู่ทําให้เดือดร้อนวุ่นวายกับหมู่เพื่อนต้องสํารวมต้องระวังนะใครองค์ไหนนะอย่าให้มีเด็ดขาดเราเป็นพระกรรมาฐานนะไม่ใช่สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่เลี้ยงหมานะเลี้ยงพระนะพระต้องมีเป็นผู้สํารวมระวังนะสมัมม น, นานะเป็นผู้สงบนะพระนะพระสงฆ์นะ ศากยาวุธนะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรต้องรู้นะถ้าใครนะตกต่อยตีกันนะถ้าองค์ไหนลงมือก่อนองค์นั้นอะ่ะแต่องค์ไหนที่ถูกเ้าตีแล้วก็เด้ต้องมาสอบอีกกว่าเป็นอะไรทําไมเขาจึงตีท่านต่อยท่านท่านพูดอะไรอต้องสอบอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะเอไปแยงเขาเนะ่ยเขาก็โมโหขึ้นมาก็ลงหมัดลงมวยแต่องค์ลงลงหมัดลงมวยองค์งนั้นผิดกว่า เราจะต้องไล่นี้เพื่เอเพือไล่นี้ออกจากวัดทั้งสององเลยไม่อยู่อันนี้คือหลวงพ่อได้ยินจากองค์หลวงตานเพราะฉะนั้นหลวงพ่อยังนํามาใช้นะในวัดของหลวงพ่อจะมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้หลวงพ่อพูดไว้ก่อนถ้ามันมีอย่างนั้นเกิดขึ้นมันก็ต้องเดินตามนั้นได้พูดกันไว้แล้วนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พกพระลูกพรหาหมณ์ทุกองค์ที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพื่อความสงบผาสุขของการอยู่ด้วยกันให้ไว้ให้ไว้เนื้อเชื่อใจกันรักเมตตากันอย่างที่เราเป็นนักรดนักบวชนี่แหละคือกฎระเบียบวิในาการอยู่ด้วยกันให้มีผู้น้อยให้มีผู้ใหญ่ให้มีสัมมาคารวะแต่เราเมื่เข้ามาปวดเขานี้เพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรมีจุดประสงค์เพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจอันนี้คือจุดใหญ่ที่เราจะต้องเดิน อันนี้เกิดก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้กา ร, รอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีกฎระเบียบนะอแต่จุดประสงค์ของเราเนราต้องทํำยังไงเหมือนกับเราจะปลูกผักอย่างนี้จะปลูกผักอกันนี่เราก็ต้องทําแปลงผักพวนดินอแล้วก็ทําเป็นหนานันาตักน้ําที่ไหนอย่างไงที่ไหนเราต้องทําแปลงเสก่อนจากนั้นก็ค่อยปลูกผัก จากนั้นก่อเราก็ได้ผักอย่างที่เราต้องการนี้ก็เหมือนกันนะก่อนที่เราจะปฏิบัติถึงสูมักผลนิพพานนะเราก็ต้องเตรียมพร้อมว่าการอยู่ด้วยกันมีสัมมาคาระวะอย่างไรมีกิริยามารยาทอย่างไรการอยู่ด้วยกันแล้วฟังธรรมเทศนาอย่างไรศึกษาอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องปรับปรุงพื้นที่จากนั้นก่อนเดินเลยพอเป็น ทำจุดนี้เสร็จแล้วก่อนนั่นแหละเราภาวนาของใครของเราแหนี่แหละวิธีการภาวนาของเราของใครของเราจุดนี้หลวงพว่อได้พูดได้กล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษานะแต่เรื่องสมาธิสมาธินะี่เราจะทำใจยังไงจึงจะให้ได้รับความสงบยเยือกเย็นได้สมาธิต้องเป็นพื้นฐานก่อนอย่างพวกเราจะทำยังไง จึงจะนอนหลับได้วิธีการนอนหลับเราจะทำยังไงเราจะทำกับกิเลยายอย่างไรเราจะพักผ่อนอย่างไรในการที่จะเราจะพักผ่อนนอนการพักผ่อนนอนของเราเนี่ยเราจะทำยังไงก็มีหลายวิธีนะแต่ที่งยังไงวิธีการนอนพอนอนเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาแล้วนะ ถ้าเราจะนอนทั้งวีทั้งวันอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่ไม่ได้ไม่มีผลงานอะไรเลยถ้าเราจะนอนทั้งวีทั้งวันแต่ถ้าไม่นอนล่ะอถ้าไม่นอน่ะลืมตายอยู่ทั้งวีทั้งวันได้ไหมโอ้ไม่ได้ตายเลยเพรียไปหมดเลยเ อ, อแปลว่าทําอะไรไม่ถูกหรอกผมไม่ได้พักผ่อนเพอเพออันตรายตายได้ไง่ายๆอีกต่งงางหากแต่เราพักผ่อนนอนทั้งวีทั้งวันล่ะเกิดประโยชน์ไหมไม่เกิดประโยชน์นะี่ นี่แหละสรุปแล้วก็คือให้พวกเรารู้ว่า เ, เขามาบวชในคราวนี้เนะี่ยสมถะคืออะไรคือทคือเราพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนนอนพักผ่อนอนอนให้หลับแล้ววิปัสนาทำยังไงออกมาจากสมาธิแล้วทำงานทำงานตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอน สมถะที่จะทําให้จิตสงบนั้นทําอย่างไรวิธีการจะนอนบางคนจะนอนเราต้องกินยายาแล้ครับประสาทใช่ไหมอยากนอนหลับใช่ไหมจากนั้นก็มีอะไรบางคนกับมันต่างการวิธีจะนอนะสงบอารมณ์ที่หนุมกันหลับไปคนที่หลับง่ายแต่บางคนที่หลับยากกัไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันมันปุ่งฝุ้งอยู่ทั้งคืนคนหลับยากนะนี่แหละวิธีการสมาธิก็เหมือนกัน วิธีเข้าสมาธิบางคนก็เข้าง่ายกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพดหายใจออกโทเนะ่ะอันนี้คือกรรมฐานหลวงปู่มั่นนะแล้วก็การทำวัดเย็นนะอย่างน้อยนะอย่างทำเมื่อกี้นะี่อย่างน้อยแล้วนะนี่นะถ้ามากกว่านั้นก็ให้มากกว่านี้น ะ, เ, ะเวลาเราจะทำวัดเย็นอย่างน้อยต้องทำขนาดนี้แหละอ่ะอาอหังสวากโตสุปฏิปโนแล้วก็นโมตัสตร แล้วก็อิติปิสโสกาเยยาวาจารนะอาหารสุกิตโตโหมินะจเพสตาอย่างน้อยนะให้ได้ขนาดนี้ถ้ามากกว่านี้ก็ก็สาธยายไปสวดมนต์เออพระปริตตรงไหนตรงไหนก็รบกวนสวดเพื่อเป็นสิริมงคลของเราในเมื่อสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเรานั่งอยู่ที่นอนของเรานะี่นนะแล้วก็เมื่อเราจะไหวพ้พระแล้วก็กราบไปที่ ที่หมอนของเราที่นอนของเรานั่งคุกเขานะถ้าเป็นไปได้ก็คองพระก็ได้ไม่คองก็ได้แต่คองนะดีกว่าเป็นกิจจากลักษณะนะพอครองพ้าเสร็จแล้วก็ไหว้พระอารหังสะวะัสดิโตสุปฏติปโ น, โยนอย่างทีกว่าเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งสมาธิ หันนั่งไปทางที่สว่างนะการนั่งสมาธิอย่าไปหันหน้าเขามเอมืดนะตรงไหนที่สว่างถ้ามีม่านก็เปิดม่านนะจากนั้นเราควรหันหน้าไปทางทางที่มันทางทางที่เนี่ยศีรษะเราไปท่งนอนน่นนะ่ะนั่งขัดสมาธนะิขาขวาทับขาซ้าย เ, เสร็จเรียบร้อยแนละ้วปน ม, มือซะก่อนหลวงพ่ อ, พอให้ปน ม, มือซะก่อน คือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆ ค, คือการนั่งสมาธินะไม่ใช่เราคิดได้คิดทำไม่ใช่ครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งคิดธรรมเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้นั่งสมาธินะ เพรนั้นเวลาเราจะนั่งสมาธิเราจึงว่าไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ซะก่อนอยาจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขแผ่เมตตาเป็นเบื้องต้นก่อนเ mm hmm. พราะก่อนนั่งสมาธิเนี่ยพวกเราจะต้องทําใจนะอะไรคล้ายๆว่าไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทางหมดเราแผ่เมตตาใจใจของเราให้เน่งให้ ออกจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงไม่ผูกพยาบาทอาคาตดไขทั้งหมด เ, เราจิตใจของเราเป็นอิสระแต่ก่อนที่เราจะนั่งสมาธิและเมื่อแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อแล้วก็เอามือลงมือขวาทับมือซ้ายจะนั่งกบบรรมวิกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนจะทํายังไง เ, เราจึงจะหลับง่ายฮะจะทํำยังไงจิตใจของเราจึงจะเป็นสมาธิไม่ผูกไม่ฟุง้งไม่คิด ไปในเรื่องต่างๆถ้ามันคิดไปแล้วก็ดึงกลับมาเอกมาอยู่กับกรรมฐานที่เรากําหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่บางท่านบางคนออหายใจยังไงก็มันก็ไม่เห็นนะในเมื่อมันไม่เห็นลมเราก็ต้องหายใจแรงๆทั้งนั้นกระแทกเข้าลงแรงหายใจแต่กระแทกออกแรงหายใจเข้าหายใจออกกระแทกแรงแรงเราจะรู้ได้ว่า อ, อลมกระทบที่ไหน ลมกระทบที่ปลายจมูกหรือสานจมูกหรือในช่องจมูกที่ใดที่หนึ่งเราก็เอาสติจับอยู่ตรงนั้นแหละเวลาหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทธไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกอันนี้คือกรรมฐานหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวกล่าวสิทธยานุสิ์ของท่านให้พวกเราฟังเอาไว้นะถ้าพวกเรามาอยู่กับผมเนี่ยผมไม่อยากจะให้ภาวนาอย่างอื่นนะ ยุบนอพองนอจอมมาอาหลังอะไรก็ตามเอาไว้ก่อนต้องยึดต้องปฏิบัติตามแนวแถวหลวงปู่มั่นถ้าว่าพวกท่านถูกไม่ถูกเจริญท่านออกจากสํานักของผมไปซะก่อนพวกท่านจะทําอะไรก็ค่อยทํานะแต่ไม่อยู่ขณะที่มาอยู่กับผมเนี่ยพวกท่านต้องภาวนาตามแนวแถวหลวงปู่มั่นเพราะท่านปึกมาศึกษาแนวแถวปฏิปทาผมเอาวิชาหลวง องหลงปู่มั่นมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกท่านแต่ผมไม่ได้ขับแคบนะอแต่เมื่อท่านมาอยู่ที่นี่ท่านต้องวิชาพิศสอนมาเรียนอย่างนี้อแต่เมื่อพวกท่านไปเรียนวิชาแพทย์นู่นเอาคะแตอังกฤษมาเรียนอนอกรูนอกทางไม่ได้แต่เว้นเสียแต่แพทย์เขาให้เรียนอาจารย์แพทย์เขาให้เรียนเราต้องเรียนเราจะมาจับมาเรียนเองตามที่เราต้องการจะได้อย่างไงเพราะ อาจารย์แพทย์คขาให้เรียนแต่เรียนกฎหมายก็เหมือนกันปุบปรับเราจะเอา ว, วิชาการแพทย์มาเรียนได้ยังไงเพราะวิธีกฎหมายครูบาอาจารย์เขาใหเรียนเป็นเสืยแต่ว่าทางกฎหมายทางอาจารย์กฎหมายเขาให้เรียนวิชาแพทย์สมทบพอไปด้วยนะอันนี้ก็คืออาจารย์นี้ก็เหมือนกันที่มาเรียนมาศึกษากับผมนะผมอยากจะให้พวกเธอพวกเราท่านทั้งหลายนะ เรียนแนวแถวปฏิ ป, ปทาหลวงปู่มันถ้าอยากจะเรียนสายอื่นก็นมามาบอกผมซะก่อนใหผมภาวนาแล้วมันเป็นยังไงและก็มาถ้าบอกมากล่าวผมผมจะเด็บอกกล่าวแนะนําวิธีการถ้าพวกเลิศท่านพวกท่านทั้งหลายคิดใด้คิดทำจะมาอยู่ที่นี่นะแต่คิดใดคิดทำเป็นอย่างอื่นเผลอๆมันเป็นบ้ า, เ ป, บาเป็นบอได้ง่ายๆนะเกิดวิปจันทร์อุป ก, กิเลสขึ้นมาได้เพราะเป็น พิปัจฉุปกิเลสขึ้นมาแล้วจะมาตำหนิว่า้มาศึกษาการทำคำสอนมาศึกษาภาวนากับหลวงพ่อเอ็นทำให้เป็นบ้ า, าแล้วมันเสียหายเสียหายใครลเลยท่เพราะนั้นผมเองจึงแนะนำบอกกล่าวว่าอย่าทำอย่างอื่นนะที่มาอยู่กับผมให้ฟังให้เชื่อผมซะก่อนสามเดือนไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหนให้ศึกษาแนวแถวหลวงปู่มั่นที่ผมแนะนำตังสอนบอกกล่าว จากนั้นเนี่ยนะวิธีการหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องแล้วก็ไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกบังคับให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันหลงไหลมันเผลอไปมันยังออกอยู่ครับให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้ยีตียับอยู่กับสำทับกับพุโทโธแต่มันยังแฝงออกไปอยู่พุโทโธยังแฝงให้กัดฟันให้มีความสานึกน่อยเรากัดฟันอยู่ นี่ยแล้วขาพุโทโธพุธโทโธด้วยมันจะมีขแขนงกี่ขแขนงวะใจของเราเนี่ยว่าให้มันให้มันมันจะออกไปทางไหนอีกอ่ะ้องรู้รู้รู้ทั้งกัดฟันด้วยรู้ทั้งลงหายใจเข้าออกด้วยรู้ทั้งเอาสติสัมปชัญญะให้มันรู้ในขณะที่อยู่ด้วยนี่แหละแต่เมื่อมัน เป็นไปได้มันอยู่แล้วเกิปล่อยวางอันใดอันหนึ่งปล่อยวางที่กัดฟันแค่กำหนดลมหายใจเข้าพุท้ายใจออกโทนนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการจะทำยังไงใจของเราจึงจะอยู่จิต ใ, ใจของเราไม่ปูกไม่ฟุ้งไปข้างนอกนะแต่หลวงพ่อเองก็เคยบอกเคยกล่าวทดลองดูนะพระเนรลูกลานศรัทธา ญ, ญาติโยมนะหลวงพ่อไปพูดเคยพูดหลายๆาครั้งในเอ็ส ให้นับดูนะเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับ2อหายใจเข้านับสามสห้าหถึงร้อยทาไมเผลนะ่นตัวมันมันเผลนะ่นไม่ถึงยี่สบมันเผลอเลยล่ะหลวงพ่อเคยนับมาพอแรงแล้วเคยรู้มาแล้วมันต้องเผล่มันเผลอเผล อ, อยังไงเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหคือเลขขี้2คือเลขคู่สมคือเลขขี้สคือเลขคู่ขี่คู่ขี่คู่ เออเพอเพิ่มันจะเบลอมันจะคู่ขี้นะทนี่เออมันกลับเป็นเลขขี้มันกลับเป็นเลขคู่มันสลับกันแสดงว่ามันเผลอแล้วนะต้องกลับมานับหนึ่งใหม่ไม่เอาไม่นับต่ออีกไม่ให้นับต่อถ้านับต่อเป็นไปมันเผลอแล้วจะนับต่อได้ยังไงกลับมานับหนึ่งอีกหอนับหนึ่งตั้งใจให้เข้มแข็งอีกเออหลายครั้งต่อหลายหัวนี่แหละวิธีการฝึกสตินี่ต้องฝึกอย่างนี้นะ่ มันไม่มีใครที่จะฝึกแทนเราไดนะ้เราต้องฝึกเองนะในการฝึกสตินะในเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าหายจออกมันอยู่ได้เลยนนับหนึ่งจนถึงร้อยตั้งหลายครั้งเอออยู่ได้เจากนั้นก็ปล่อยปล่อยวางหายใจเข้าพุดหายใจออกโทดน ะ, ะพุทโทต่อมาอีกนั่งไปหลายหลายวัน อ, อีกมันเผย อ, อีกไหมทดลองดูสินับหนึ่งอีกสองสาครั้งเออมันยงอยู่อยู่สติยังดีอยู่เอา บริการพุทโธต่อเอกนี่แหละวิธีการฝึกสติให้ผู้ฝึกอย่างนี้วิธีจากตอนเราอยู่อย่างนี้เวลาฉันบินธบัตนะิพอฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับกุฏิของเรานะถับพายบาทขึ้นบานแล้วเขานับไปเรนะื่อยพุทโธพุทโธ ข, ขาขวาพุทธขาซ้ายโธจนถึงกุฏินะี่จากนั้นเขาถึงกุฏิก็วางบาทจีวรเสร็จแล้วกแงง็แปลงพุงแปลงผ้านะจะซักผ้าอาบน้ํา ก็ได้จากนั้นก็เราก็เดินยังก้มนั่งภาวนาของไรของใครของเราหรือก็ขึ้นไปนั่งสมาธิเลยก็ได้อจากนั้นจะพักผ่อนกันสักหน่อยหนึ่งก็ได้หรือไม่พักผ่อนก็ได้ถ้าเราไม่เคยพักผ่อนนะเนี่ยแหละจากนั้นก็จะอ่านหนังสือนิดๆแต่น้อยก็ได้แต่หลวงพ่อเองไม่แนะนำให้อ่านหนังสือนะให้อ่านให้อ่านน้อยที่สุดนะจะจะให้ภาวนาะให้สติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดในขณะที่เราบวชในคราวนี้ครั้งนี้นะ อย่างน้อยก็ให้จิตใจเป็นพื้นฐานของสมาธิจิตใจเน่งที่ใจเป็นสมาธินัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายนะที่มาศึกษาในคราวนี้อยากจะให้จิตใจสงบดูซิสักครั้งหนึ่งเราจะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า โอ้โหพระพุทธเจ้าท่านสอนได้ยังไงท่านรู้ได้ยังไงทําจิตใจให้สงบมีความสุขจริงนี่แหละพระพุทธเจ้าที่ท่านได้จัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพนท่านก็เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกําหนดลมหายใจเข้าออกนะตามพุทธประวัตินะพวกเราศึกษานะหลวงพ่อได้ศึกษามาแล้วในเชื่อหลวงพ่อก็แล้วกันจากนั้นเขาจะค่อยศึกษาที่หลังก็ได้ พอกำหนดลมหายใจเข้าพระไทยใจของพระองค์ไม่ได้คิดออกไปข้างนอกจิตใจประธรรมรวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณรัตน ะ, เ, ะเกิดญาณรัตนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษระลึกชาติถนหลังได้นะพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ในวันเดือนหกเพนน์นั่นปุเ พ, เพนิวาสานุสติยานจุตูปปาต ย, ยานอาสาวกยไยยาน ได้ดตัดสู้ทำสามอย่างในคืนวันนั้นผลในสุวนได้ตัดรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกอเป็นอนันตาการนะคือพุทธะนะี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเราภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุธโทโธอมันเน่งแต่หลวงพ่อเองในเมื่อภาวนาเป็นพื้นฐานจิตใจสงบแล้วนะ จากนั้นเรานำมาพิจารณาทางด้านปัญญาหรือออกวิปัสสนาคือให้นึกคิดให้ใช้ความคิดให้ใช้ปัญญาให้ใช้วิธีการทำงานวิธีการคิดการปรุงอย่างไงอันนี้หลวงพ่อจะต้องบอกจะสอนอีกต่อไปภายภาคหน้านะไม่ใช่ว่าเราจะสอนกอไก่ยังไม่จบเราจะสอนอวิธี ผสมอักขระจะสอนปริญญาตรีโทเอกไปเลยวันเดียวคงจะเป็นไปนะอย่างนั้นในยากเว้นเสียแต่ว่าท่านผู้นั้นมีอุปนิสัยนะทาเป็นผู้มีอุปนิสัยแล้วพระพุทธเจ้าจะสอนรวดเดียวเลยเออันนี้ปู้อุปนิสัยในะอนดีตชาติเป็นมาอย่างไงท่านสอนรวดเดียวเลยจากนั้นก็จบเลยก็เป็นพระหรหันไปเลยอันนั้นคือหาได้ยากนะที่ผู้มีอัจฉริยะอย่างนั้นนะ เป็นผู้มีความรู้อย่างนั้นนะมันไม่ใช่ของหาได้ง่ายแต่พวกเราเนีเอาเถอะอารศึกษาเรื่องกฎระเบียบเรื่องศีลวินัยการอยู่ด้วยกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมาทั้งยาวเหยียดออการอยู่ในวัดของเราวางตัวอย่างไงปฏิบัติอยงไรการอยู่การฉันอย่างไรหลวงพ่อได้บอกมาจนถึงว่าพิธีการทําสมาธิทําอย่างไรเนี่แหละในเมื่อถึงขั้นสมาธิเราให้พวกเราพยายาม ทำอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวผมได้กล่าวนะหลวงพ่อเองมั่นใจที่ได้พูดได้กล่าวเนะเป็นหลักธรรมคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วก็ยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านดาเนินมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราไม่เดินออกแวกออกแวกแนวนะเดินตามแนวแถวของพุทธะจากนั้นก็นำมาประยุกต์ใช้ ในการประพุติปฏิบัติที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะคือเรื่องสมร tha คือทําจิตใจให้สงบสอนแต่วิธีการหลับนอนให้นอนพักการพักผ่อนวิธีการพักผ่อนของจิตถ้าจิตใจของเราปุ่งฟงซ่านอยู่ตลอดทั้งวีทั้งวันใจมันเมื่อยล้านะใจมันล้านะ ใ, ใจมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันนอนไม่หลับมันเครียดปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดเพ้อเพจะเป็นบ้าเอาเพื่อะไร เพราะว่าใจของเรามันออกนอ ก, ก ร, รูนองเทาบังคับอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่อย่างนี้แนละ้มาอยู่ในวัดของหลวงพ่อเนี่ยามา็คดถึงบ้านกูคิดผิดแต่กูคิดถูกวะที่มาบวชแสดงว่าคิดแหงโง่นะก็รู้อยู่แล้วเราจะมาบวชกี่วันกี่เดือนกี่เดือนก็รู้ในใจอยู่แล้วเราจะไปคิดแหงโง่ทำไมหน้าที่ของเราในขณ ะ, ขณะนี้คืออะไรนะขณะนี้คืออะไรหน้าที่ของเรา เราไดคิดดีแล้วเราจะเข้ามาบวชเอาเถอะถ้ามันจะตายกับพระพุทธเจ้าพระทหารตสาวกอพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลพุทธศาสนาคงไม่ยืดยาวถึงขนาดนี้มันจะตายกับเราเราจะตายเพียงแค่นี้หเหรอฮะกิเลสเนะี่ยดูตัวเองเถอกระโดดซ้ายกระโดดขวาขึ้นมาเนะ่ยสู้ออจิตใจต้องใจของเราต้องเข้มแข็งเนละ ไปอ่อนปลวกเปียกไปได้นะเอ า, เอานั่งโดยที่นั่งทั้งคื น, นมันเป็นยังไงเดินทั้งคืนมันเป็นยังไงอดูใจของตนเองเน่ถึงทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมด เ, เอเราจะไปอ่อนแอได้หรอมันไม่ใช่สิ่งที่อ่อนแอชีวิตของนักพจนักบุตต้องอดทนต้องสู้นะ เ, เราสู้ไปในทางที่ถูกนะมันผิดที่ตรงไหนบอกมามันผิดไหมเนี่ยมันสู้กับตนเอง เพราะการบวชไม่ใช่สู้กับคนอื่นนะให้เข้าใจให้สู้กับกิเลสภายในใจของเราเพราะนั้นทนักพจน์นักบวชนักพักนักภาวนาทั้งหลายท่านให้ดูใจนะท่านบอกวมโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนะี่แหละมันออกไปจากใจทั้งหมดมันคิดดีมันคิดชั่ว มันทำดีมันทำชั่วมันคิดจะก่อนมันค่อยทำมันคิดจะก่อนมันค่อยพูดเพราะฉะนั้นเราจึงเอาเอาสมาธิเข้ามามามายึดเรามาดูตัวความนึกคิดมันบ่อเกิดแห่งความดีความชั่วน่นมันออกไปจากใจทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพุทธานะท่านจะให้มีสมาธิพอมีสมาธิดีแล้วนะมันเพ่งมองแนวความคิดของเรามันจะทันนะจะติทันเลยนะทันในแนวแนวทันในแนวความคิดนะ มันจะคิดดีคิดชั่วมันทันหมดเลยเมื่อมันทันหมดแล้ว น, นั่นแหละอมันแหล่งดีแหล่งชั่วมันออกไปจากใจมันโนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกพะลูกพะหลานทั้งหลายสุดท้ายาพวกเราท่านทั้งหลายนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทั้งนั้นวันนี้หลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องทําจิตใจให้สงบจิตใจให้พักผ่อนจิตใจให้เน่งจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจไม่ให้ปุงฟุง้งนะวิธีการทําสมาธิซะกอ่อนต่อไป หลวงพ่อจะแนะนําบอกเราเรื่องวิปัสนาอนะ่วิปัสนาก็คือความใช้เหตุและผลที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจสมาธิเนี่ยเหมือนกับตะล่อมเข้ามาท่านั่นนะเพียงตะล่อมเข้ามาถ้าอย่างเราจะทําอาหารเมื่อเราจะทําอาหารลงตามหาบัวท่าว่าเมื่อเราจะทําอาหารเราก็ต้องเตรียมผักเตรียมพริกเตรียม เกลือเตียมอะไรให้พร้อมไหมฮะในเมื่อเตรียมพร้อมแล้วกันอเห็นแล้วเน่ยคือสมาธิห่วมกันคือเอรียวลมให้พร้อมส่วนวิปัสนาเอามาปรุงนะท่านเนี่อันไหนควรจะทํว่าไงเราจะทําอาหารประเภทไหนท่านเนี่ยเราก็มาม า, มาใส่เข้าไปปรุงเป็นอาหารให้เป็นรสเป็นชาติขึ้นมานี่แหละอันนี้ก็คือวิปัสนาคือการปรุงอาหารให้มีรสชาติเราจะปรุงประเภทไหนอย่างไร นี่แหต่ว่าสมาธิเนะี่ยแค่การรวมรวมอุปกรณ์ทั้งหมดอให้เป็นอยู่ในที่เดียวกัน น, ะนี่ก็เหมือนกันเราจะทําสมาธิทําจิตใจให้เป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งแล้วนะจิตใจรวมแล้วเนะี่ยเราจะมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงนะเพราะมันมันออกไปจากสมาธิสมาธิของเรามันมันดีแล้วนะเอามันเนื่งแล้วนะ เราพิจารณาทางด้านปัญญากันเป็นปัญญาตู้แจ้งเห็นจริงชัดชัดเจนในความรู้สึกนึกคิดนั้นๆมันทันะสติมันทันทั้งหมดแต่ถ้าว่าเราไม่มีสมาธินะคิดปุงฟุ้งอะไรทั้งวีทั้งวันก็ไม่รู้ผลที่สุดกณะร้อ ง, ห, องห่มร้องไห้ทุกอกทุกใจเราก็ยังไม่ทันมันอีกกิเลสนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้ภาวนามาเขานี่มาภ า, า, าวนานะไม่ใช่มาอย่างอื่นนะไม่ได้จะมาทําการทํางาน ทำการกำรมันก็จริงอยู่เป็นการออกกำลังกายบ้างเป็นการพัฒนาวัดว่างพวกเราอยู่ด้วยกันแต่จุดใหญ่คือเรื่องสมาธิเรื่องสมาธินี่คือจุดหัวใจสำคัญของพวกเราที่มาประพฤติปฏิบัติที่อยู่มาอยู่อย่างนี้นะฮนตอนนี้ไปพวกเรานั่งสมาธิสักช่วงระยะหนึ่งยล้วค่อยเลิกกันนะ